ต่อไปข้อห้านี่ไงข้อห้าตุลยยาที่กรณะตุลยยาที่กรณะในปันจะมีวิพัตจะจบหรือเปล่าบอกพวกนี้จะไม่มาแล้วถ้ามาจะขยักเหลือไว้ข้อหนึ่งเหลือไว้ข้อหนึ่งแปลสักสามวัน ต่อไปดูตัวอย่างตรียาที่คณะนนในปัณจะมีปัญจะมีขยายปัณจะมีตัวอย่างข้อหนึ่งเชตวนานามอาอังรามสมาอเปติอเปติแปลว่าย่อมออกไปย่อมลีกออกนะอเปติย่อมออกย่อมลีกย่อมลีกออกย่อมออกไปอางรามสมาจากวัดเชตวนานามะ ชื่อว่าเชตวันออกไปจากวัดพระเชตวันข้อ 2, 2ปุภายะทิษายะอิมังฐานังอาคโตอาคโตมาแล้วอิมังฐานังสู่ที่แห่งนี้ปุภายะทิษายะจากทิศตะวันออกมาที่เนี้ยมาจากไหนมาจากทิศตะวันออก พายะทิสายจากทิศตะวันออกข้อ 3. ทิสาปาโมคขาอาจารย์รียโตสิบปังอุคันหาตุอุคคันหาตุจงเรียนเอาสิบปังซึ่งศิละปะอาจารย์รียโตจากอาจารย์ทิสาปาโมคขาผู้เป็นใหญ่ในทิศ หรือเราก็แปลทับศัพท์ว่าผู้ท่สาปาโมกอย่างนี้ก็ได้ปาโมกเนี่ยแปลว่าผู้เป็นใหญ่ท่สาในทิศ ท, ทั้งสี่หมายถึงว่าใครจะมาจากทิศไหนก็ช่งางต้องมาเรียนสำนักนี้หมดแล้วก็แปลทับศัพท์ว่าซึ่งอาจารย์ผู้ที่สาปาโมกหรือทับศัพท์ว่าทิสาปาโมกขาอาจารย์เครียโตจากอาจารย์ทิสาปาโมกอาจารย์ทิสาปาโมกอยู่ที่ไหน ตากศิลาเพราะว่าสมัยโน้นสมัยพุทธกาลที่เมืองตากศิลาเนี่ยอาจารย์ที่สาปาโมกเนี่ยเป็นสำนักสำนักสอนวิชาทุกแขนงที่มีอยู่ในโลกไม่ใช่วิชาอย่างใดอย่างหนึ่งคนที่เป็นเรียนที่นั่นน่ะเลือกเรียนได้ทุกแขนงวิชาถ้าเป็นกุมารราชกุมารก็ไปเรียนวิชาปกครองบ้านเมืองถ้าเป็นบุคคลทั่วๆไป ก็ไปเรียนวิชาทำไร่ทำสวนยิงธนูแม่นธนูวิชาพ่อค้าวานิชนี่ทุกอย่างอะแม้แต่วิชาขอทานครับที่สาพระโมกสอนแม้แต่วิธีขอทานคนไม่สมประกอบไปขอเรียนก็ให้เรียนวิชาขอทานขออย่างไรเขาจะไม่รังเกียจสอนให้ขออย่างไรคนให้เขาจะยิ้ม เนี่ยวัดมหาธาตุเนี่ยเคยได้ชื่อตักกศิลาคือสารพัดสารเพความรู้ได้จากวัดมหาธาตุเนี่ยอภิธรรมบาลีมหาจุฬาสมัยก่อนสมัยลานอโศกเขาเป็นเาเป็นที่โตวาทะของเจ้าลทัทธิทั้งหลาย <c oughs> ได้ชื่อสมัยนะั้นตะักกศิลาใครอยากได้ความรู้อยากฟังเรื่องอะไรต้องมาลานอโศกใครได้ชื่ออโศกไปจากวัดมหาธาตุนี่หมด <c oughs> อนนโอ้ยสมัยนะ้าคงเกิดหรือยังไม่รู้ตั้งแต่สองสี่ปดูนยู่นนะครับเป็นต้นมาครับ <c oughs> แล้วก็มาดับเอาตอนสองสี่อ่สองห้าสองห้าูนย์แปดครับประมาณเนี้ยแล้วก็หายหายไป